5้าสี่สามสองหนึ่งก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มามีโอกาสมาแสดงปตาตคถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยอาดมาพระไพบูลอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโสก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังในที่นี้และในโอกาสที่ได้มาพบกันในครั้งนี้ทางวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนี้ ก็จะต้องพูดเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทันสมัยกันนิดหนึ่งในตอนนี้ถ้าตอนนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องน้ําท่วมก็คงจะค่อนข้างจะล้าสมัยไป น, นิดหนึง่งเพราะฉะนั้นจึงจะต้องพูดถึงเรื่องของน้ําท่วมบางท่านหลายๆท่านเนี่ยนะฟังข่าวเรื่องน้ําท่วมฟังเรื่องน้ําท่วมแรงต่างๆแล้วมันรู้สึกมีความเกรียดขึ้นมาซึ่งอันนี้ที่ต้องกันที่ต้องมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เพื่อที่จะต้องการให้เห็นความเข้าใจให้ถูกต้องซะก่อน อ, อย่างเวลาที่เราเป็นโรคชนิดใดชนิดห น, นึ่งเชน่นว่าเป็นเป็นไข้เป็นต้นสมมุติเราเป็นไข้เนี่ยเราจะมีอาการรู้สึกตัวว่าโอ๊ยปวดหัวปวดหัวแล้วก็ตัวร้อนด้วยตัวร้อนแล้วก็กินอาหารไม่อร่อยไปไหนทําอะไรมันก็ไม่คล่องตัวมึนไปหมดตาก็แดงแล้วก็ทําอะไรก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนี่คือลักษณะคนเป็นไข้ นะคือคนที่เขาได้รับทุกจากไอ้เจ้าไวรัสที่มันอยู่ในตัวเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาเป็นทุกในขณะเดียวกันถ้าหมอนะหมอที่เรียนจบมามีความรู้ในเรื่องของไข้อย่างดีเขาก็เป็นไข้เหมือนกันนะเป็นไข้หมอที่ก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยตัวร้อนรู้ว่าตัวเองกินอาหารแม่อร่อยรู้ว่าตัวเองตัวร้อนกินอาหารแม่อร่อยรู้สึกมึนหัวปวดหัวด้วย มีอาการอย่างนี้เหมือนกับคนทั่ ว, วไปหมอในเขาเขาเป็นเป็นไข้บ้างแต่ความรู้ของหมอเกี่ยวกับเรื่องไข้เนี่ยกับความรู้ของคนที่คนธรรมดาที่เป็นไข้เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ต้องให้มาทาความเข้าใจนะว่าเวลาที่เรารู้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยคุณรู้แบบไหนคุณรู้แบบคนที่ประสบความทุกข์ทั่วๆไป เวลาเขาน้ําท่วมเนี่ยโอ๊ยทําไมฉันจะไม่รู้ว่าน้ํามันขึ้นถึงระดับนี้แล้วท่วมข้าวของหมดแล้วเฟอร์นิเจอร์เสียหายหมดแล้วถูกน้ําพัดพาไปคนที่โดนอยู่เขารู้แน่นอนไม่ต้องเอามาบอกเพิ่มอีกแต่ที่จะพูดในวันนี้นะคือเราจะทําอย่างไรให้เรามีความรู้เหมือนกับหมอที่รู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะเพราะว่าอะไรเพราะหมอเวลาเขารู้ว่าเขาเป็นไข้เนี่ยเวลาเขารู้ว่าเขาตัวร้อนรู้ว่าเขากินอาหารไม่อร่อยนะรู้ว่า มีอาการปวดหัวทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วเขาก็รู้เหมือนกับคนทั่วไปแต่ความรู้ของหมอเนี่ยยังรู้ลึกลงไปอีกว่าโอ้อาการอย่างนี้มันเกิดจากเชื้อชนิดไหนเชื้อชนิดนี้แก้ยังไงมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นผลเขากินอาหารอะไรเชื้อชนิดนี้มันทำอะไรส่วนไหนของร่างกายบ้างหมอเขาจะรู้ตรงนี้แต่คนไข้เนี่ยจะไม่มีความรู้เรื่องเหตุเรื่องผลอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังจะแก้ยังไงไม่มี เพราะว่าไม่มีความรู้อย่างหมอรู้อย่างดีที่สุดนะก็รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์รู้อย่างดีที่สุดก็รู้ว่าฉันกินข้าวไม่อร่อยรู้อย่างดีที่สุดก็รู้ว่าฉันปวดหัวตัวร้อนแล้วนั่นเป็นความรู้ตันรู้ว่าตัวเองทุกข์แล้วทำอะไรก็ไม่ได้นี่คือความรู้ของคนธรรมดาทั่วไปนั่เหมือนกันเวลาเรารู้เรื่องน้ําท่วมเราต้องรู้อย่างหมอรู้เรื่องไข้นั่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลจะแก้อย่างไรเกิดที่จิตยังไงเกิดที่กายยังไง จึงจะต้องมาทำการปาฐกถาตรงนี้ให้เข้าใจแนวว่าเราไม่ใช่รู้ว่าน้ำไปถึงระดับไหนแล้วน้ำท่วมที่เกิดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่ท่วมทั้งภาคกล า, กกางมันไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือนาภาคกลางตอนบนไล่มาจนถึงตอนนี้เข้าใกล้กรุงเทพมหานครหรือบางส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยจมไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าน้ำมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเนี่ยเราจะต้องรู้สภาพของน้าว่าเป็นยังไง ที่น่าแปลกก็คือว่าบางคนเนี่ยน้ำระดับน้ำเนี่ยนะมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์เท่าๆกันคือว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในที่ตอนนี้น้ํายังไม่ท่วมเนะี่ยหรือว่ามันน้ากําลังมาจาะแล้วแต่ยังไม่ท่วมหรือบ้านเรายังแห้งสนิทดีอยู่นะความทุกข์ของเขาจากการฟังข่าวจากการที่คนนั้นเอาเรื่องนี้มาพูดทูนเนื้อนั้นเอาเรื่องนี้มาบอกการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยฟังแล้วยังเป็นทุกข์มากกว่าคนที่อยู่ทางอายุธยา นะที่น้ํายังท่วมถึงเกือบชั้นสองอย่างนี้เป็นตน้นะซึ่งระดับน้ําตรงนีน้ไม่ได้แปรผันตรงกับความทุกข์ที่เรามีมันจึงเป็นเรื่องแปลกว่าแล้วความทุกข์ที่เรามีเกิดขึ้นมันมาจากอะไรจึงต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนนิดนึนนงซะก่อน เ, อเรื่องของน้ําที่เราพูดกันมาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ได้เคยตรัสไว้หลายอย่างว่าทําไมน้ําท่วมทําไมบางที่ท่วมบางที่ไม่ท่วม อ, อุปมาอุปไมยที่พระองค์เคยใช้ ใอย่างเรื่องพูดถึงเรื่องของบึงใบหนึ่งมีมีหนองใบหนึ่งบึงนี่แหละเป็นหนองน้ำที่เก็บน้ำปรากฏว่ามีทางน้ำเข้าสีทางทางน้ำออกสีทางอยู่ในบึงใบนี้ถ้าเผื่อว่าเราเปิดทางน้ำเข้านะแล้วก็ปิดทางน้ำออกน้ำในบึงนี้นะก็จะค่อยๆเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นจนล้นลงนันเถอะหรือว่าถ้าในทางกลับกันเราเปิดทางน้ำออกอย่างเดียว ปิดทางน้ําเข้าทั้งหมดฝนไม่ตกมาตามฤดูการน้ําในบึงนี้ก็จะค่อยไหลออกไหลออกจนกระทั่งหมดไม่มีเหลือในเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันง่ายมากมันก็แค่ว่าน้ํามันเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าน้ําที่มันออกไปนะน้ำที่ออกไปไม่เท่ากับน้ําที่กําลังเข้ามาหรืออีกในย้อนหนึ่งพระรูชาวเคยพูดถึงการใช้จ่ายเงินในครอบครัวอย่างเงี้ยในชีวิตของเราเรามีเงินใช่ไหมต้องให้กระแสงเงินเข้าเนี่ย มากกว่ากระแสงเงินออกเราถึงจะมีเงินอยู่ในตัวเราแต่ถ้าเมื่อไหร่กระแสงเงินออกมากกว่ากระแสงเงินเข้าน้ะก็จะทำให้เราเป็นหนี้ใช้จ่ายไม่พอเพราะฉะนั้นในกรณีของน้ํานี่ก็เหมือนกันก็เป็นกระแสน้ํานั่นแหละไหลเข้ามากกว่าไหลออกในจึงทําให้น้ํามันท่วมแล้วทําไมบางที่ท่วมบางที่ไม่ท่วมอันนี้พระพุทธเจ้าได้เคยยกอุปมาอุปไมยเหมือนกับน้ําทะเลหรือว่าแม่น้ํำคงคา ที่จะมีธรรมดาโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ที่ต่ำโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลเหมือนการน้ํามันต้องไปสู่ทะเลมันต้องออกไปที่ทะเลเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปตามที่ต่ําเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราปล่อยน้ําไปเนี่ยมันก็จะไหลจากที่สูงไปที่ต่ําทําให้ที่ที่อยู่สูงเนี่ยไม่ท่วมอย่างอัตมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยที่จังหวัดอุดรธานีนี้ก็ไม่มีน้ำไหลมาท่วมเพราะว่ามันอยู่ที่สูง ในขณะที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ต่ำนะก็จะต้องเป็นทางที่น้ําไหลไปบ้างเพราะฉะนั้นในบางส่วนที่มันไหลไปเนี่ยตรงไหนสูงมันก็จะไม่ท่วมตรงไหนต่ามันก็จะท่วมในะอยู่ที่เราจะปรับกระแสน้ําให้ไปทางไห น, นนี่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาในบางประเด็นที่จะต้องมาพูดคุยในการประทับตาครั้งนี้เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยที่เราพบเจอเนี่ยคือว่าน้ําบางอย่างทําให้เราทุกน้ําบางอย่างทําให้เราไม่ทุกคือน้ําทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นปัญหากับชีวิตเราทั้งหมด ทำไน้ำที่แหลออกมาจากก๊อกใสสะอาดดื่มกินได้เอ postponed. น้ำอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ทําไมน้ําที่มันอยู่หน้าบ้านเราถ้ามันไม่มากมันก็ไม่เป็นปัญหานะแต่นี่มันมากเหลือเกินมันมากขนาดนี้จึงจนทําให้เป็นปัญหาอุทกภัยแสดงว่าปัญหานี่มันไม่ได้อยู่ที่น้ําเพราะว่าถ้าปัญหาอยู่ที่น้ำนํำน้ําทุกอย่างน้ําทุกหยดน้ําทุกประเภทต้องเป็นปัญหาหมดหรือว่าอย่างไม่ใช่แค่เรื่องน้ําอย่างเดียวอย่างทุงทรายถุงทรายที่เราเอามากั้นหน้าบ้านเราเ เป็นถุงทรายที่มีปริมาณทรายเท่านี้ใช่ไหมมีการออกแบบใช้งานอย่างดีล่ะเรากั้นน้ําไว้หน้าบ้านนั้นในขณะที่ถุงทรายอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยน้ํายังไม่มาเนี่ยเราเตรียมถุงทรายเวลากั้นไว้สูงเท่านี้เมตรเท่านั้นเมตร เ, เริ่มมีความสบายใจขึ้นมาที่หน่อยแต่ถ้าถุงทรายอยู่หน้าบ้านคนอื่นนะเราก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรหรือว่าถ้าน้ําเริ่มสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้ว นะปรากฏว่าสูงมาสักห้าสิเซนเป็นต้นเรากั้นถุงทรายไว้ที่1เมตรอย่างนี้ปรากฏว่าถุงทรายหน้าบ้านคนอื่นพังนะถุงทรายหน้าบ้านคนอื่นพังเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยแต่ถุงทรายหน้าบ้านเราพังนี่โอ้โหมันเป็นเดือดเป็นร้อนนะต้องรีบหาเอามาแก้เอาอะไรมาเติมเอาสิ่งนั้นมาช่วยเสริมถุงทรายให้มันมีความสามารถในการที่จะป้องกันน้ําเอ๊ะทำไมถุงทรายเหมือนกันนะอยู่หน้าบ้านคนอื่นไม่ใช่อยู่หน้าบ้านฉันฉันไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนหรือไม่เป็น ไม่มีความสุขด้วยในการที่มีตรงนั้นแต่ถ้าถุงซรายที่อยู่หน้าบ้านเราหายไปเราเริ่มเดือดร้อนถุงซรายที่อยู่หน้าบ้านเรามีเพิ่มขึ้นมาเราเริ่มมีความดีใจอีกตัวอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าน้ำเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้เราทั้งหมดเนี่ยปัญหาอุกภเปไปเนี่ยทำไมนักเรียนที่เขาฟังข่าวว่าเออพอโรงเรียนเลื่อนเปิดเทอมไปอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โหนักเรียนดีใจกันหมดเลยตนะ ท, ทั้งที่มีปัญหาอุตภเ ในขณะที่คนอื่นมีปัญหาทั่วไปโอ้โหมีความเป็นเดือดเป็นร้อนเกี้ยดแค้นมีความทุกข์เอ๊ะแล้วปัญหานี้มันคืออะไรกันแน่เราจึงจะมาทําความเข้าใจให้จริงๆคือประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเป็นต้นเหตุของความทุกข์หรอกจุดที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์จริงๆเนี่ยนะคือความยึดถือใ น, นเรายึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยน่ากลัวเรากลัวในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ นี่เป็นปุทธวชนะที่พระชาติบอกไว้แล้วเรายึดถือว่าน้ําต้องอยู่ที่นี่ที่นี่อย่างนี้อย่างนี้นะอ่าพอมันเริ่มออกนอกแนวมันเริ่มล้นตะลิงออกมาเริ่มล้นจากแม่น้ําออกมาเราเริ่มเป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือว่าน้ํามันต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าเรามีความยึดถือว่าถุงทรายต้องเป็นของฉันถุงทรายของฉันฉันจึงจะมีความสุข i, ถุงทรายถุงทรายอันไหนที่ไม่ใช่ของฉันฉันก็ไม่มีความสุข เอายกตัวอย่างง่ายๆเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันเช่นนาฬิกาเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อมาใหม่ๆล่าสุดเลยโอ้รุ่นนี้ไม่มีปุ่มสักปุ่มเดียวนะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะสีอย่างนี้ผลิตมาจากโรงงานนี้มีความสวยงามมากอของเพื่อนเราก็มีเหมือนกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันมาจากโรงงานเดียวกันทาจากประเทศเดียวกันแต่ต่างแค่เลขรหัสเนี่ยเ e r เนี่ย มันคนละเลขเท่านั้นเองนะปรากฏว่าของเพื่อนตกแตกเราไม่มีความทุกข์เลยยังไปเตือนเขาอีกว่าเธอต้องระวังนะของเธออย่าทำตกนะในขณะเดียวกันถ้าของเราตกแตกโอ้โหมันจี๊ดขึ้นมามันมีความทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนท า, ทางทั้งที่โทรศัพท์เหมือนกันเลยนะสีเดียวกันด้วยนะแต่ทําไมของเพื่อนตกเราไม่ทุกข์ของเราตกแตกเราทุกข์ของเพื่อนตกแตกสมน้ำหน้าเขาด้วยซ้ำ ถุงทรายที่อยู่หน้าบ้านเราหายไปเรามีความทุกข์ถุงทรายที่อยู่ของหน้าบ้านคนอื่นลม้มลงทลายลงเรามีความสุขถุงทรายของกทมเนี่ยหรือว่าของทางราชการเนี่ยที่มีคนอยู่หน้าเขื่อนเนี่ยเขาระดับน้ําสูงท่วมหัวแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเอาถุงทรายออกแนะเขามีความสุขแต่คนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะยังแห้งอยู่ระดับน้ํายังต่ําอยู่พอมีคนเอามาถุงทรายออกกลับมีความทุกข์มันไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไร เพราะความยึดถือในสิ่งนี้ไม่เหมือนกันอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่อย่า ง, างหมอเขาเป็นไข้ใช่ไหมหมอเป็นไข้กับคนธรรมดาเป็นไข้หมอจะรู้ว่าไอ้ไข้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเหตุอะไรไวรัสตัวไหนเชื้อตัวไหนทําหน้าที่อย่างไรเขาจะรู้ตรงนี้นั้นในขณะที่คนไข้ธรรมดาเนี่ยจะไม่รู้ข้อมูลรู้แค่ว่าตัวเองเป็นทุกข์มีความทุกข์ก็จบละและทํำยังไงก็แก้ไม่เป็น นะซึ่งหมอเนี่ยเขารู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เขาจะเอาไวรัสตัวนี้เอาเชื้อตัวนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ในอย่างที่เราทําทํากันอย่างเช่นมีการผลิตวัคซีนในการแก้โรคภยัยไข้เจ็บต่างๆก็มีเกิดจากเชื้อทุกพวกนี้เหมือนกันคนทั่วไปที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องน้ํายังเป็นปัญหาเรื่องท่วมข่าวด้วยไม่ใช่ท่วมน้ําอย่างเดียวท่วมข่าวด้วยถูกข่าวท่วมทับแล้วก็พัดพาไปตามกระแสน้ําซึ่งยังมาไม่ถึงบ้านโดยซ้ำเพราะว่าถูกกระแส ข, ของข่าว พ, พระเจ้าจึงบอกว่าเราอย่าไหลไปตามกระแสเพราะว่ากระแสในที่นี้คือกระแสของตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นต้นเหตุของความทุกข์อย่างที่อาจมาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะว่าความยึดเนี่ยความยึดถือคื อ, ค, อคือเป็นเป็นเหตุมาจากตัณหาเป็นผลมาจากตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความยึดพอเรายึดแล้วเนี่ยความยึดเนี่ยนะเป็นต้นเหตุของความทุกข์นะมันไปอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ทันทะีนความยึดถือไปอยู่กับโทรศรรัพท์มือถือของฉัน โทรศัพท์มือถือของฉันเนี่ยนะจะเป็นทุกข์ของฉันทันทีแต่ความยึดถือของฉันไม่ได้ไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเพื่อนโทรศัพท์มือถือของเพื่อนตกแตกไม่เป็นไรของฉันตกแตกไม่ได้ความยึดถือไปอยู่ในถุงสายหน้าบ้านฉันถ้ามันหายไปหรือมันล้มลงฉันจะมีความทุกข์ความยึดถือไม่ได้ไปอยู่ในถุงสายหน้าบ้านคนอื่นไม่ได้ไปอยู่ถุงสายของขัทางราชการถ้ามันไม่มันล้มลงไปมันหลุดออกไปฉันไม่เป็นทุกข์นี่แหละคือความยึดถือมันไปติดอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันที มันไปติดอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปหาเหตุภายนอกนะไปหาแก้ภายนอกว่าเอ๊ะมันจะต้องแก้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันยังแก้ไม่ถูกยังแก้ไม่ถูกทางนะหมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าถ้าเผื่อว่าเราไปเที่ยวสแสวงหายอย่างคนที่อยู่หน้าเขื่อนเนี่ยระดับน้ําเขาสูงอยู่ระดับเอวเขาอยู่หน้าเขื่อนคือ <c oughs> อยู่หน้าเขื่อนอยู่ใกล้เขื่อนแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะฝั่งนู้นของเขื่อนเนี่ย น้ำมันไม่มีเลยฮะทําไมฉันอยู่ฝั่งนี้น้ํามันเท่าเอวเฮ้ถ้าเราเอาเขื่อนตรงนี้ออกเอากระสอบทรายตรงนี้ออกเนี่ยมันจะทําให้ระดับน้ําเราลดลงไหมเขาก็เลยลองเอาออกดูเอาออกดูพบว่าไอ้น้ําก็ยังไม่ลดลงแต่มีความสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนื่องจากการเห็นว่าน้ํามันเริ่มไหลออกแต่ยังไม่ลดลงด้วยเลยด้วยซ้ํานะระดับน้ําและทาไมความทุกข์หรือความสุขในจิตของเราเนี่ยความทุกข์ของเรามันลดลงความสุขมันเพิ่มขึ้นตั้งๆที่ระดับน้ำยังไม่ลด ก็เพราะว่าระดับน้ําหรือน้ําหรือสิ่งภายนอกเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงไปตามความสุขทุกของเราสุขทุกขของเราเนี่ยมันมีผลมาจากความยึดถือถ้าเราปล่อยวางความยึดถือเราละความยึดถือในถุงทรายละความยึดถือในน้ำํำละความยึดถือในทรัพย์สินเงินทองละความยึดถือในสิ่งต่างๆนะความทุกของเราจะลดลงฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปสับสนกับว่าอาถ้างั้นก็ปล่อยวางหมดเลยเหรอ นอนรอความตายเข้าของท่วมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรหนีไปอยู่ที่อื่นทำใจแบบปล่อยวางทั้งสิ้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าอางนั้นพระเจ้าจะไม่สอนเรื่องอสิ่งเหล่านี้คือพรทเจ้าบอกว่ารูปอย่างเงี้ยอย่างรูปอย่างอาจจะเป็นของแข็งนะมีธาตุดินเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นความทุกข์แล้วทำไมให้พระมีบริการอื่นๆทำไมไม่ให้ปล่อยทิ้งให้หมด ละทิ้งไปเลยวางทิ้งจีวรก็ไม่ต้องเอาบาดก็ไม่ต้องเอาข้าวของเข็มได้อะไรไม่ต้องมีทิ้งให้หมดเพราะว่ามันเป็นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่ไงสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เราก็เอาไว้ก่อนอย่างกรณีของพระสงฆ์อย่างเนี้ยเรื่องของจีวรบินตาบาดบริการทั้ง8ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอยู่เราก็เอาไว้ก่อ น, นเรื่องความรู้ความเรียนต่างๆอย่างเช่น เ, เรื่องของการพิจารณาอสุภะเรื่ององการพิจารณาสิ่งต่างๆความรู้ที่พระเจ้าสอนอย่างเนี้ย ก็เป็นความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ก่อนเราก็เอาไปก่อนแต่สุดท้ายทั้งหมดก็ต้องปล่อยวางแล้วไอ้ที่ปล่อยวางปล่อยวางนี่คือปล่อยวางอะไรนะก็คือปล่อยวางทางใจนั่นเองนใจของเราเนี่ยให้ปล่อยวางอย่าให้มีความยึดถือเพราะความยึดถืออยู่ที่ไหนความยึดถือไม่ได้อยู่ที่สิ่งของนะความยึดถือไม่ได้อยู่ที่กระสอบทรายความยึดถือไม่ได้อยู่ที่น้ําความยึดถือไม่ได้อยู่ที่ตัวโทรศัพท์มือถือความยึดถืออยู่ในจิต แต่ความยึดถือถ้ามันไปติดกับน้ําไปติดกับกระสอบทรายไปติดกับโทรศัพท์มือถือมันจะทําให้สิ่งนั้นเป็นความทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอาออกเนี่ยไม่ใช่กระสอบทรายไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรือไม่ใช่อาหารอะไรต่างๆที่อยู่ภายนอกที่มีแต่เป็นความยึดถือที่อยู่ในจิตของเราความยึดถือที่อยู่ในจิตตรงนี้แหละที่เราจะต้องเอาออกเอาออกเมื่อไหร่เราจะมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้น ถ้าเรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นจิตของเราจะสบายเป็นจิตที่เรียกว่ามีสมาธิจิตที่มีสมาธิอย่างนี้นี่แหละมันจะสามารถคิดอ่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รู้ว่าเราควรจะพันน้ําไปทางไหนรู้ว่าเราควรจะแก้ยังไงน้ําที่มันจะท่วมอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะหาวิธีปกป้องยังไงที่วัดปาดด่าดลยสายโศกตอนนีเ้เปิดเป็นศูนย์พักพิงของผู้ประสบปัญหาอุทกภยัยก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขาบ้านน้าท่วมไปแล้วนะ เขาก็มาเล่าให้อธมมาฟังว่าบ้านเขาเนี่ยเตรียมการป้องกันน้ําท่วมอย่างดนะีหน้าบ้านนี่คือเป็นบ้านที่มีบริเวณนะนะมีอาคารบ้านแล้วก็มีบริเวณบ้านแล้วก็มีรั้วบ้านใช่ไหมหน้าบ้านเขาเนี่ยก็เอากระสอบทรายมากั้นอย่างดีนะทําถูกต้องตามแบบแผนทุกอย่างนะสูงประมาณหนึ่งเมตรด้านหลังบ้านนะมีประตูหลังด้วยก็เอามากั้นอย่างดีเนะตรียมการไว้อย่างดีระยกของขึ้นะอะไรต่างๆปรากฏว่าพอน้ำมันมาถึงจริงๆประมาณ70นะ็ดซนติเมตรมาถึงอยู่หน้าบ้าน ทุกอย่างป้องกันได้อย่างดีไม่มีปัญหายิ้มได้ติดเครื่องสูบน้านํานึ่งต่างๆเรียบร้อยละปรากฏว่ากระสอบทรายของหน้าบ้านเพื่อนนะแตกพังกันน้ําไว้ไม่อยู่น้ําก็เข้าทะลักมาในบ้านข้างบ้านปรากฏว่าข้างบ้านนี่ก็มีรั้วติดกันปรากฏว่าน้ําเนี่ยมันก็ทะลุพื้นดินลอดใต้ดินขึ้นมาท่วมบ้านตัวเองป้องกันไม่ทันเลยแต่เป็นอย่างนี้ก็มี มีความตื่นตระนกเพราะาไม่ได้เตรียมการปร้องกันทางด้านกำแพงเอาไว้ตกใจทําไรไม่ถูกน้ําท่วมไปเลยก็เลยหนีมาพักพิงอยู่ที่ปัดป่าดอนไห่โฉตัวอย่างนี้ยกขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ทราบว่าถ้าเมื่อไรเนี่ยเราสามารถคลายความยึดถือจิตออกเป็นสมาธิมีความสุขใช่ไหมจิตเรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้ น, นจิตนั้นจะเป็นจิตที่มีสมาธิมากจิตที่มีสมาธิมีกําลังอย่างนี้จะสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ในะอย่างกรณีของลูกศิษย์ผู้นี้เนี่ยเขาตกใจทําห้เขาไม่สามารถทำอะไรถูกได้ว่าอาจจะต้องป้องกันยังไงต่อนะด้วยความตกใจเนี่ยจึงทำให้ทำอะไรไม่ถูกนะก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราพบว่าถ้าเมื่อไหร่นะเรามีความจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่มีกำลังนะคือจิตของเราจะมีกาลังในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าความสุขหรือความทุกข์ที่เรามีถ้าเรามีความสุขมาก จิตเราจะมีกําลังมีความทุกข์มากจิตเราจะไม่มีกําลังไอความสุขความทุกข์ตรงนี้ก็แปลผ่านตรงกับความยึดถือที่เรามีอยู่ในจิตถ้าเรามีความยึดถือเราจะมีความทุกข์ถ้าเราคลายความยึดถือได้บ้างเราจะมีความสุขความสุขที่มีจะทําให้จิตมีกําลังจิตมีกําลังจะสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้แตถ้าเราโมวแต่ตกใจโมวแต่แก่งแย่งด่าทอกันนั่นจิตเราจะไม่มีกําลังเพราะว่าจะมีความทุกข์ความทุกข์ทำให้จิตไม่มีกําลัง ที่เราไปด่ากันว่ากันนะไม่ร่วมมือกันไม่สามาัคคีกันก็เพราะว่ามีความยึดถือมีความยึดถือในความเป็นของฉันความยึดถือในความเป็นของเธอฝ่ายนั้นฝ่ายนี้โอย้ยังมาแบ่งแยกกันอีกถ้าแบ่งแยกกันอย่างนี้ไม่ร่วมมือกันนะคุณจะมีอันนี้มันเกิดจากความยึดถือคุณจะมีความทุกข์ทุกข์อย่างนี้จิตจะไม่มีกําลังจิตไม่มีกําลังก็แก้ปัญหาไม่ได้นะแก้ปัญหาในใจก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาข้างนอกก็ไม่ได้แล้วคนอ่นก็เดือดร้อนกันไปหมดเพราะเราต้องทํายังไง นะพอเรารู้ข้อมูลแล้วว่าอ๋อความสุขความทุกข์นี่นะมันไม่ใช่ปัญหาจากน้ำจริงจริงนะมันปัญหาจากจิตถ้าจิตของเราคลายความยึดถือปล่อยวางได้ในจิตนะเราจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้พอเราปล่อยวางได้ความทุกข์น้อยลงความสุขมากขึ้นจิตมีกําลังจิตมีกําลังเราจะค่อยๆ ค, คลี่คลายปัญหาได้จิตตรงนี้แหละจะสามารถพลิกผันนะไปเป็นความอดทนได้คือคนที่จะสามารถปล่อยวางตรงนี้ได้เนี่ยนะจิตของเขาจะต้องมีสติ สตินี่คือความระลึกได้ว่าโอ๊ยความชั่วฉันจะไม่ทําความดีฉันจะทําสติคือความระลึกได้ว่าโอ๊ยความที่จะต้องมาด่ากันมาว่ากันฉันจะไม่ทําอะไรที่มันจะเป็นสามัคคีกันฉันจะทําสติคือความระลึกได้ว่าสิ่งไม่ดีฉันไม่ทําสิ่งดีฉันทําทําแล้วเป็นยังไงทำแล้วใจมันก็สบายสิใจมันสบายแล้วเป็นยังไงจิตก็มีกําลังนะสี่จิตมีกําลังแล้วเป็นยังไงเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ร่วมมือกันได้พลิกผันไปเป็นความอดทนได้พลิกผันไปเป็น สมองที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างน้ําท่วมเนี่ยทำไมมีสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆที่มันโอ้โหถ้าไม่มีเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยเราจะไม่สามารถคิดได้เลยนะีไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมไอสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เราเห็นอย่างเช่นเรือยนต์เรือประเภทอ่าที่ใช้งานได้แบบต่างๆอุปกรณ์กันภัยอ่าซ่วมที่เป็นลักษณะที่พิเศษขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามีเหตุการณ์นี้ทําให้คนเนี่ยปล่อยวางได้ พอคนที่เขาปล่อยวางได้เนี่ยจิตเขาสบายใช่ไหมจิตเขาสบายจิตเขามีกําลังจิตเขามีกําลังเขาสามารถคิดประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาได้นะด้วยความที่เป็นลักษณะการทํางานของจิตแบบนี้เพราะฉะนั้นในความที่เราพบเจอเหตุการณ์เนี่ยอาตมาจึงต้องบอกว่าเราต้องควรจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะแทนที่เราจะจมปลักอยู่ในความทุกข์ไหลไปตามกระแสะน้ําให้เป็นผู้ที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ซะทํำยังไงล่ะเอาก็ไม่ไหลไปตามกระแสะของตัณหา ไม่ไหลไปตามกระแสของความอยากความยึดคนเขาจะด่ากันว่ากันไม่เราไม่ทํำเราจะเป็นผู้ที่มีสติระลึกถึงความดีที่เราจะต้องทําไม่ด่ากันไม่ว่ากันแล้วทำยังไงเอาก็ให้มีสติไงคลายความยึดถือในเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรโอ้ยว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งได้เป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราเป็นแล้วเป็นยังไงปล่อยวางซะปล่อยวางแล้วเป็นยังไงจิตจะสบาย จิตสบายแล้วเป็นงไงจิตมีกําลังไงมีกําลังแล้วก็จะทําให้มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านได้มีสมองในการที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้านได้แปลงเป็นความอดทนได้ในอย่างในสุนพระพิงอย่างเนี้ยแหมแต่ามาต้องขอบอกว่าที่เขาทําอาหารมาให้กินวันละสามื้อนี่ดีมากๆแล้วนะอย่างประเทศในแอฟริกาบางประเทศเนี่ยเด็กลูกเด็กเล็กแดงของเขาเนี่ยมีข้าวกินสัปดาห์ละ2มื้อนี่ก็ดีมากแล้ว เราเรายังมากินสัปดาห์วันละ3ามมือ้อย่างพระในกินบัตละมื้อก็อยู่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีกี่มื้อเราก็กินได้นะตรงเนี้ยจะเกิดจากจิตที่เรามีกําลังในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคอดทนสามัคคีกันร่วมมือกันผ่านพ้นไปไ ด, ด้เพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ไดีอของนอกอาตมาต้องบอกอย่างนี้เราไม่ได้สแสวงหาในการที่จะหาความสุขหรือว่าการแก้ปัญหาจากข้างนอกมันต้องแก้ในใจก่อนในใจแก้แล้ว ปล่อยวางความยึดถือแล้วความยึดถือละออกไปแล้วอย่าแบ่งพวกแบ่งพักนะให้เห็นแก่ส่วนรวมมีความสำมธมิกมสีสติตรงนี้เราจะค่อยแก้ปัญหาภายนอกได้ปัญหาภายนอกเนี่ยนะมันจะไปแก้ตรงไหนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแก้ได้หรอกถ้าเราไม่แก้ภายในก่อนทําไมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราไปแก้อย่างหนึ่งมันก็จะ ป, ปูดอีกอย่างหนึ่งแก่อีอย่างที่ตามมามันก็จะไปปูดอีกอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ เราดันน้าไปทางนี้มันก็ไปท่วมที่อื่นเราดันน้ำไปอีกมันก็ไปท่วมตรงนู้นเราดันน้ำไอีกมันก็ไปท่วมตรงนั้นมันไม่ได้ลงทะเลใช่ไหมเหมือนกันในจิตของเรานะถ้าเราไม่ได้แก้ที่เหตุของความยึดถือมันจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภายนอกได้เลยมันก็จะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาหลายหปีเนี่ยประเทศไทยมีปัญหามาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะแก้ไม่ถูกเหตุเราไปแก้ภายนอกเราไม่ได้แก้ที่กิเลส ข, ของคนไม่ได้แก้ในใจคนไม่ได้แก้ที่ความยึดถือของคนไม่ได้แก้ในจิต เพราะนั่นแหละคือต้นเหตุของปัญหาจริงๆจิตทำไมอะทำไมจิตมันเป็นปัญหาอย่างนั้นก็เพราะจิตมันควบคุมปากไงจิตมันควบคุมมือจิตควบคุมขาจิตควบคุมกายทั้งหมดเราจะขยับปากพูดอะไรใครควบคุมจิตเราคุมเราจะเดินไปทางไหนเราจะตีใครเราจะช่วยใครจิตเราก็คุมเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมจิตเราได้เราก็คุมปากเราได้คุมกายได้คุมจิตตรงนี้ต้องทำยังไงก็อย่างที่ว่านี่แหละให้มีสติ ง่ายที่สุดเลยท่านผู้ฟังเลยมีสติอย่างเดียวมีสติรักษาจิตจิตของเราอย่าให้ไหลไปในดินแดนที่ไม่ดีไหลไปในแดนที่เป็นลบไหลไปในสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลธรรมอย่าให้เป็นอย่างนั้นคุมจิตให้ได้คุมจิตต้องทำยังไงโอ้โโฮง่ายที่สุดในโลกให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเองทางออกอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อไรที่เรามารลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะนี้ทางแก้ปิชาให้แล้ว ก็จะเป็นผู้ที่มีสติมีสติควบคุมจิตอย่างนี้จิตเราไม่ไหลไปในแดนลบจิตเราไม่ได้ไหนไปในแดนลบไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดในจิตจิตเราจะเป็นจิตที่มีความสุขจิตมีความสุขก็เป็นจิตที่มีกำลังจิตมีกำลังก็จะสามารถคิดอ่านแก้ไขปัญหาได้คนก็มาขอความร่วมมือเมื่อก่อนเ็เคยด่าเรามาก่อนจิตเราอยู่ในแดนบวกเราละความขัดเคลืองในจิตของเราซะให้ความช่วยเหลือกัน ในบัดนี้ไม่มีเวลาไหนในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะที่เราจะต้องมีความสามาัคคีช่วยเหลืออดทนกันเท่านี้มาก่อนเป็นการทดสอบนะคนในเมืองคนไทยว่าเรารู้คำสอนของพระชาติถึงระดับไหนถึงระดับจิตของเราไหมจิตที่อยู่ลึกๆของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเรารู้ได้ด้วยอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นเองเราหายใจเข้าเรารู้เราหายใจออกเรารู้รู้ว่าจิงของเราอยู่ที่นี่ กุมเขาไว้อย่าให้เขาไหลไปในแดนลบหรือว่าคิดถึงความที่เราเป็นคนดีก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีสีเราทำสิ่งดีสิ่งไม่ดีเราไม่ทำสิ่งดีเราทำให้อดทนให้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มีความสามัคคีกันเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้มันไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่เราคลายความยึดถือปล่อยวางในจิตสิ่งภายนอกจะค่อยๆ ค, คลี่คลายค่อยๆแก้ไปได้อย่างที่อาจจะมาบอกนี่แหละ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหานะภายนอกฟังข่าวก็ตามนะเห็นภาพก็ตามได้ยินเสียงใครว่าอะไรมายังไงเนี่ยให้ให้จิตของเรามีสติอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีอย่าไปมีความยึดถือปล่อยวางซะเห็นตามที่เป็นจริงให้คุมสติให้อยู่ให้รู้ว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนไทยเรารู้คำสอมพระเชาเราเป็นลูกศิษย์พระเจ้า เรามีพระบาทสมเร็จประชาอยู่ห่าเรามีความดีที่อยู่ในตัวเราที่จะเป็นคอยป้องกันให้จิตของเราอยู่ในแดนที่ดีทำสิ่งที่ดีไม่คิดเรื่องไม่ดีคลี่คลายปัญหามีความอดทนมีความสามีคี่กันเราจะผ่านพ้นสิ่งนี้ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังข้อความดังนี้แล้วเป็นผู้ที่รู้มีสติอยู่ในตัวระลึกถึงว่าโอ้ฉันจะต้องทาความดีให้ทาความดีนี้ต่อไป สินแพ